วิทยาศาสตร์ก่อนที่จะมาบวชเป็นพระอาตมาเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์อาตมาศึกษาโลกแห่งฟิสิกส์ภาคทิทฤษฎีที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในประเทศอังกฤษอาตมาพบว่าวิทยาศาสตร์และศาสนา มีอะไรเหมือนๆกันหลายอย่างเช่นการยึดมั่นถือมั่นในคำสอนมีคำพูดที่คงคายซึ่งอาตมาจำได้ตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาความยิ่งใหญ่ของนักวิทยาศาสตร์วัดได้จากช่วงเวลาที่เขาหรือเธอผู้นั้นสามารถจะลอการยอมรับทฤษฎีใหม่ที่จะลบล้างทฤษฎีของตนได้ เมื่อเร็วๆนี้มีการอภิปรายที่ประเทศออสเตรเลียเรื่องวิทยาศาสตร์และศาสนาซึ่งอาตมาเป็นวิทยากรคนหนึ่งด้วยหญิงคาทอลิกผู้เคร่งศาสนาคนหนึ่งกล่าวอย่างน่าคิดว่าเมื่อดิฉันมองผ่านกล้องส่องทางไกลเพื่อดูความงามของดวงดาวดิฉันมักจะรู้สึกว่า คำสอนในศาสนาของดิฉันถูกคุกคามอาตมา ต, ตอบเธอว่าถ้านักวิทยาศาสตร์ยอมดูตัวเองผู้ดูดาวเสมือนมองจากปลายกล้องส่องทางไกลด้านใหญ่ไปสู่ด้านเล็กเมื่อ น, นั้นเขาจะรู้สึกว่าทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ก็ถูกคุกคามเช่นกัน